ทำต่อกันอีกลำดับลานำแล้วก็บุลรลมนำจากพระสูตรบทลรานนำจากเราให้มีสติลาดับลานำอยู่เสมอ เพื่อเป็นการศึกษาถลงถึงใดไม่เข้าใจให้เข้าใจถึงใดไม่แจ้งทำไม่แจ้งขึ้นมามันเป็นไปได้การทำความสอนชีวิตของเรานี่มันทาใต้เลื่อนชั้นเลื่อนฐานะของชีวิตเราให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นจากความมันคนมาเป็นบรรทุก จากความระ บ, บนู้ดมาเป็นพระปัจจุบัน จ, จะสมควรสมค่าคุ้มค่าที่เราได้เกิดมาเพื่อการนี้โดยตรงไม่ใช่เกิดมาเจ็บเจ็บตายเฉยๆถ้าเกิดมาแล้วมาคอยเป็นทุกข์ความเกิดความแก่ความเจ็ บ, ค ว, จ บ, ค, วจบความตายอยู่มันก็เสียชาติ เราจึงก้าไปมีพระพรุทธเจ้ามีพระสาวกรู้ตามจนมาถึงพวกเรานี้ไม่หมดการไม่หมดเวลามีได้ทุกโอกาสเราจึง มาศึกษาปฏิบัติกันจริงจริงจังจังในเรื่องนี้เขาให้ถึงอย่ากเป็นแต่เพียงนับถือพุทธศาสนาเขาให้ถึงศาสนานี่ไม่ใช่มาอ้อนวอนกราบไหว้เป็นการเข้าถึงทำให้เป็นทำให้มี ถึงมรรคถึงผล <c oughs> ถึงพระนิพพาน <c oughs> เป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตเราถ้าพระศาสนามมนมีนิพพานไม่รู้ว่าเราจะนับถือไปทำไมจะสร้ า, างวาดสร้างวาสร้าง บุญกุศลบวดลูกปวดหลอนทำไมถ้าเราไม่มีบรรคผลนิพพานเราจึงเพื่อการนี้โดยตรงไม้แต่เพลงของลูกที่หลงตาเลยคนใ่ฟังภาคเหนือภาคภาคภา ค, ภาคอีสานภาคใต้ก็ยังเก่าถึงมรรคผลนิพพานเลย คนโบราณเออน้องเจ้ามากักเจ้าผลพัฒนากายตนทั้งกายทั้ใจเจ้ามากักเจ้าผลอ่านพี่มัน้องปองดองกันไปพัฒนามีชัยมีสุขทุกประการพัฒนากายใจเป็นมักผลิพานเทินของลูก อีสานก็มีนกครรกขรภนมเอาน้องเจ้ายอดพนมเนื้อเก่าเนื้อผมคือพระธรรมาคำเศร้าขอนอนไหวขอพ่อพระตา ก็นาะมีใช่มีสุขทุกข์การภรรยากายใจถึงมรรคผลนิพพานเทิน่ะเขาพูดตรงนี้ยคนโบราณ น, นี่แต่นิพพานนิพพานนิพพานอปจโยโหตุอมุลให้ถึงมรรคผลนิพพานโน้นเถินแต่โน้นไกลเกินไปให้นี้เทินนั้นไกลท่าโน้น มันไม่เห็นถ้านี่มันเห็นได้ทําได้กับมือมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงนี่เปลี่ยนทุกข์เปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เดียมันโกรธเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธนี่เพราะหลงมันทํำมาเกิดทุกข์เกิดโกรธเราเสียเปรียบความโกรธความทุกข์มันก็ไม่มีอะไรแต่มันยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่รู้มันอ่ะมันครอบครางเราได้ เราจึงมาเห็นมันก็ไม่มีอะไรองค์พระเจ้าได้แสดงธรรมมาจักกับวัตรสูตรเนี่ยบัรจาวิคีคือห้าคนได้ฟังอย่างที่เราได้สาธยายสูตรนี้เราทรมาจักจักแห่งธรรมมันมันปลิ้งไปหมูนไป มีปริวัตรสามอาการสิบสองคือธรรมจกักแลกไปเลยทุกเห็นแล้วออกจากทุกค้นแล้วไม่มีทุกค้นจากทุกแล้วปริวัตรสามอะไรก็เป็นอย่างนี้มันเลยหมุนไป เห็นแล้วซักสะานไม่มีที่ให้ตั้งไม่มีที่ให้ทุกตั้งเพระเห็นแล้วไม่รับโมกคืนไม่ถูกท่องก็มไม่ทุกข์กไม่หลงถูกท่องมีที่นั่งอยู่ก่อนเราต้องมีอย่างนี้มันมาพร้อมกันความหลงความไม่หลง อย่าให้มันสุดตรงทุกเป็นทุกสุดตรงไม่ไม่มีทางมาพบทางไม่มีธรรมจักไม่มีทางไปเจาเจ้าแสดงนี่ที่อิสิปตนะมะลึกคาญวัน <c oughs> ยังมีอยู่นะ <c oughs> ไม่ใช่ลรวสวดเฉย อิศิปัฏฐานะกำรมีอยู่ไปจะถูบใ่อยเดินรอบสถูปนี้ได้ประมาณสองสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเท่าเท่ากับหินคงจาน้องศิลทำไว้เนี่เป็นวงกลมนะสองรอยแปดสิบเก้าหรือเท่าไหร่เนี่ยเลยกจำไม่ได้หล <c oughs> วงตาเคยไปเดินทำปะทักศิน ไปไปสวดทํามจักอยู่ที่นั่นหกเที่ยวแล้วอินเดียนี่เชตูปใ่อยทำไมจึงชื่ออิสิปตนะมาลุคธายาวันมันมีมาแต่นานแล้วก่อนพระที่เจ้าที่จะมาแสดงธรรม เป็นที่ปลดปล่อยของสัตว์ทั้งหลายนักผวดหือสีชีภัยจะไปอยู่ที่ทนั่นไิหางไกลจากพราสีนักอิสิปะดาเลือกใชวันที่ปลดปล่อยอยังไงสัตว์อะไรไปอยู่ที่นั่นไม่ถูกฆ่า <c oughs> ไม่ถูกทำลายยังมีเก้งม<con v ะ>ีกวงมีสัต์มีนกก็เลียยมไม่ได้เยอะแยะอยู่ที่นั่นกวงผาก็เต็มไปหมดเลยเขาไม่ทำลายมันก็มีอยู่อย่างนี้ที่แสดงธรรมที่ตัดรู้ก็มีพุทธคยา ที่บาเพญ็ญทุกกิยาก็มีท ำ, ทำอะไรทอะไรป่าอืมดงคาชิลิีอาดงคาชิลช่าเช่ดงคินะเหนือทางแน่น้าเแม่น้าเล น, น, นเชลลาดลงคาชิลิ สมายถึงพเจ้ายังไม่เป็นพระเจ้าบําเพ็ญพุทธบำเพ็ญพุทธอยู่ที่นั่นแล้วก็เดินจากที่นั่นรอนเล่มองม า, มาตามรูปน้าในลันฉลาอาหนรข้าวสุชจรางสุจดดาที่ใกล้ๆอิพุทธขยะเนี่ยมีอยู่จริงนอกจากกมี ที่ตัดเโรคมีที่แสดงทรมีที่กระสูตรมีที่แปะดินในผานมีอยู่จริงจริงแต่วัดว่าเราวราตาก็มีเยอะสารจีวัดอะไรเยอะเยอะเชดตดตะวันก็มีตูพาลามก็มี มหาวันก็มีไม่มีแต่สุโกโตสูโกุโตมีมืงถ่ายสถาบันด้วยซ้ำไปไม่มีวัดไหนในประเทศไใดคิดว่าสถาบันแล้วก็ตั้งขึ้นมาจริงๆจากท่าทายต่อคนนานเหลือเกิน ทำไมจึงมาเกิดเจ็เจ็าตายเป็นทุกข์โกรธทราะวิวาทกันอยู่มันมีที่ศึกษาที่จบได้สถาบันเนี่มันจบในชีวิตไม่ใช่ไปจบจากนอกกาย่อง ใ, ใจจบในนี้แต่เมือนสีพันเรื่องอยู่ใ น, ในใกายในใจเราเนี่ยจบซะเป็นขั้งสุดท้าย ความหลงเป็นขั้งสุดท้ายความทุกความโกรธความโลภความอะไรต่างๆเป็นขั้งสุดท้ายเหลือแต่ชีวิตรุน่นๆเป็นชีวิตที่มีอิสระไม่เป็นละลายก็ละลรยแจกของตัตะเกียงเลี้ยงคนทั้งประเทศช่วยกันอย่างนี้ ที่นี่ไม่มีใครแปลกห้ามิตรญาติที่เพิ่งในพวกเห็นกันตอนนั่นไม่แปลกอย่ามองว่าคนนั่นคนนี้ไม่ใช่กลุ่มพวกเราไม่ใช่คนพวกเราไม่ใช่เดินเพื่อนเกิดเจ็เจ็บตายด้วยกันให้มันจบซะจะเป็นแผ่นดินลาบเมือนด้ากองใสศาสนาพระสีอาริยะเมตไต จ, จะมาตัดสรลู พอต่อจากสำลักโครงนี้ไปเอาพระธรรมคบสอนมาปฏิบัติอย่าให้เป็นภาษาดกแก้วเอามาทำให้มันเกิดขึ้นมาเป็นถิ่นเป็นฐานออก่าจากกายจากใจศินก็รักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยฐานจละอารมณ์เน่าออก อารมณ์เน่าที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจจาขะาสารออกอย่ายืดไว้ทานอาภัยทานให้อภัยอะไรง่ายๆอย่าทือโทษกลัวเครื่องกันงานเกินไปแต่วตัตถุทานก็มีบ้างสร้างวัดสร้างวาทำบุญให้ข้าวให้น้ำแก่พระสงฆ์แก้กลางกันไปแล้วก็มีดี แต่ละอารมณ์น้อยสาคัญอภัยทานเป็นบุญในนิพพานเหมือนกันจากมันร้อนให้มันเย็นในความร้อนมีความเย็นในความหนักมีความเบาในความทุกข์มีความไม่ทุกข์แต่ละออกดดมีอยู่จริงๆมักผลนิพพานในชีวิตเราเนี่ยที่คนไปตายเนี่ย มีกายอันกว้างสอกยาวราคืบมีสัญญามีขีวมีใจเนี่ยมีรู้อะไรได้เนี่ยอยจนเราจะมาฝึกหัดแล้วก็เป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาเห็นต่อหน้าต่อตาได้ทำอันจิงที่มันผิดให้เป็นถูกทำให้ที่มันจิงที่เป็นทุกข์ให้เป็นไม่ทุกข์ กับมือของเราเนี่เห็นมันหลงอย่าไปจนความหลงเวียนหลงเป็นลูทําได้ทําได้เปียนโกดเป็นไม่โกธก็ทําได้ยนะังไงมันมีสองอย่างมีกายมีใจตอนที่นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์ใจกินไม่ได้ก็เป็นทุกข์ใ จ, จ อันนอนไม่หลับไม่เป็นไรแต่ว่าอันคิดที่ว่าได้นอนไม่หลับเป็นปัญหาอันกินม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาเลยรหรอกมันต้องกินได้สักวันหนึ่งแต่ว่าอันใจที่มันคิดว่าฉันกินมาได้ฉันกินมาได้แล้วก็มิตกังวลไปอันนั้นอันตรายเราจึงไม่เห็นอไม่เห็น อย่าให้ยำเลยที่หนึ่งที่สองเป็นโลดบือสองทุกรอยเก็บรอยช้ำมันใช่ไม่ถูกอะไรก็เป็นทุกเป็นโทษเป็นทุ ก, กออกหน้าออกตาความพอใจความไม่พอใจออกหน้าออกตาถ้าไม่มีสติมันจะใช่ผิดผิด ไม่มีเจ้าของเถื่อนเกินไปมีสติเป็นเจ้าของซะให้ปลอดภัยดูแลให้มันดีกายใจของเราเนี่ยอย่าปล่อยทิ้งเป็นทุกข์เป็นโทษรู้จักช่วยตัวเองเราไม่เคยช่วยตัวเองเท่าไหร่ ไอ้ทุกข์แท้ก็ยังไม่รู้จักช่วยไอ้ความทุกข์นอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามพื้นมันไม่ใช่หลองตานี้ไปรู้จักช่วยตัวเองมาสามสิบปีชีวิตสาธารณะแล้วแต่อะไรจะมาใช้ ความรักความชังความเกลียดความสุขความทุกข์อิรนนะิทัณหาธรรมปัมมันหมดต้องให้เสียใจเป็นทุกข์ก็มีปัตภากจะของล่าของชอบใจเป็นทุกข์ป่าถาชินใดไม่ได้ชินนั้นก็เป็นทุกข์ความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์เอามาเป็นทุกข์ทั้งหมดเลยด้วยจักเสียเปรียบความทุกข์มาก มาพบกรรมฐานที่หลวงพ่อเตียนท่านสอนเนี่ยโอ้ยพอใจมากได้ช่วยตัวเองเห็นความคิดไม่เคยเห็นความคิดตัวเองเลยคิดอะไรก็ด้ว่าเราทั้งหมดเป็นตัวเป็นตนไปทั้งหมดถ้าเกิดจากความคิดทำตามมันทั้งหมดเสียเปียมันเสมอ น้อไม่หลับเพราะความคิดน้ำตาไหลเพราะความคิดเป็นทุกข์กินไม่ได้เพราะความคิดแะ่ลาะว่วากันเพราะความคิดอันตลายมากขนหัวลุกเพราะว่ามีสติดูนน่โอยไม่รู้จักช่วยตัวเองเลยสงสารตัวเองมากจนน้ำตาซึมเลยนะไม่รู้จักช่วยตัวเองนะ พ่อแม่ก็ไม่เคยสอนเลยนี่แต่พ่อเทียนมาสอนเนี่ยแต่ทูมันรู้สึกว่าปล่อยตัวยิ่งทิ้งไปก็ตือดอล้นมากทีเดียวเลยเห็นมันคิดนี่ก็มันคิดที่ไม่ตั้งใจนะมีความคิดมีอยู่สองลักษณะตั้งใจคิด ไม่เป็นไรเฉพาะเรื่องเฉพาะเหล่าอันไม่ได้ตั้งใจในมันมากไม่อยากคิดมันก็คิดอันนี้แหละตัวสังขารตัวสมุทัยตัวสติเจะเป็นยาคุมสังขารเหล่า น, นี้มันคุมกำเนิดอันตัวคิดที่ไม่ได้ตั้งใจรว่าสังขารเห็นมันเนี่ยเรเห็นกระตือรือร้น คล้ายๆกับมอนเปิดอเพืเ่อนรักษาไว้สะอาดบริสุทธิ์มันจะผิดสินผิดธรรมได้ไงจะทำ้ายจะแสดงออกทางกายทางวาจาได้ไงตั้งแต่คิดมันก็ไม่คิดที่เป็นเป็นความไม่ถูกต้องมันรู้อย่างนี้นแล้วก็ซือว่าคุ้มครองโลก ถ้าเรารักษาเราดีก็เป็นการรักษาคนอื่นด้วยอุ่นพึ่งกันได้แต่เรารักษาไม่ดีความร้ายความดีก็พึ่งกันไม่ได้เอาใจก็พึ่งใจไม่ได้เอาไว้ทำอะไรใจเนี่ยบางทีก็ไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรความร้ายความดีมันก็อันตรายก็ยังไม่ยอม รักษาแค่ไข่แต่ เ, เขาจะทำอะไรรักใช้หมดเลยเพี้ยเปียบนะมาเห็นหลังนี้แล้วก็ตื่นรุ่นว่าเห็นหลงนะ่ไม่ใช่เป็นอะไรนะปรปเสด็เห็นทุกข์เป็นของไปเสด็จนะจะได้พ้นมันเห็นวความโกรธความรที่มันเป็นทุกข์เป็นทุก้นะมันใส่ใจที่สุดเลย ออยู่ที่ไหนพยายามถอนล่าถอนคนอันที่ว่าคมทุกข์เนี่ยจนมันเย็นจนมันไม่มีจะเป็นไงเออทุกข์ไม่มีมันเย็นแล้วมันก็เย็นมันก็ไปเป็นนิพพานนล้มันมีพิษัยไปเหมือนท่านไฟมันโล้นออกมาออกมามีเชื่อก็ไปเย็นแล้วนั้นเย็นแล้วก็ใช่ได้ เอาอันนี้นะจ้างนิพพานมันหมดประโยชน์แล้วข้าวนิพพานมันหมดประโยชน์แล้วคนโบราณยังพูดถึงนิพพานเรื่องนิพพานมากทีเดียวหุงข้าวใหม่สวยข้าวใหม่ข้าวยังไม่เย็นลูก่าขอจึ้งข้าวให้ข้าวนิพพานก่อนข้าวนิพพานก่อนให้มันเย็นก่อนจึงกินนด้ ก็ไม่ได้พูดกันเลยเพราะเรื่องนิพพานอะไรนะเอาวัตถุเปนลล็นนิพพานเอาช้างเปนลล็นนิพพานเอาหมาเปนลาล็นนิพพานเอาคนเปนลล็นนิพพานนั่นเย็นมันไม่มีพิษเพียต่อตัวเองและคนอื่นแค่นสมัยหนึ่งทูต <c oughs> เจ้าไวบินทบาทอิพลามตนหนึ่งตรวจหน้าบ้านอยู่ เห็นพระพเจ้าอุมบาดไปยืนมองไม่ขวดไม่ขวดเลยยืนมองพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าเห็นแล้วเลยชวนดูเขาเลยยืนมองยืนมองแล้วอุทานในใจโอ้อโถแล้วใครมีลูกจากนี้พ่อแม่และนิพพาน ถ้าใครมีสารมีอย่างนี้พัญยาได้ในผ่านแต่ใครมีพี่ชายอย่างนี้น้องได้ในผ่านถ้าใครมีเพื่อนอย่างนี้เพื่อนได้นผ่านหมายถึงมันเย็นด้วยทำให้เย็นถ้าเราไม่มีพิษมีภัยแล้วผัวเมียเห็นหน้ากันขาได้ในผ่านแล้วไม่ใช่ไปหาที่ไหนในผ่านไม่ใช่ตายแล้วไปมันเย็นมัน สงบถ้าเป็นสุขก็เป็นสุขถ้าจะเป็นไม่สุขก็ไม่สุขเหมือนคนเป็นโูกขี้กากรักษาขี้กากหายแล้วไม่ต้องเกา อ, อันแต่ก่อนมันเกามันจะมีความสุขเวลาบรนคัมมันก็เกามันจะมีความสุขแบบ น, นี้ขี้กากไม่มีแล้วไม่ต้องเกาเรียกว่าอะไรตรงนี้ฮะ แต่ยิงว่าฉุกว่าไม่ฉุบเลยก็ช่างเรเรียกเราเองไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีพิษม่มีพายมานิพพานช่างนิพพานนั้นก็ใช้งานได้อสัตว์ไรนิพพานคนนิพพานยิ่งดีมันเป็นสังคมเป็นผัวเป็นเมียเป็นครอบครัวโอ้แม่พี่น้อง มันเย็นอย่างเนี้ยมันก็อยู่สุขสบายเป็นลาบอะไรใครก็เย็นใครก็เย็นที่ ว, ว่าแผ่นดินลาบมันน้าของใสเป็นคนคนเดียวกันไม่ใช่คนเราคนแล้วถ้าเรามีสติเราลั่งอยู่นี้ร้อยขัวคนแล้วนะก็เหมือนกันหมดได้ใครก็มีสติส ต, ติก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าหากว่าเราหลงก็เป็นคนเราคนกันไป ทางคนทางหลงเลยลอะไรผู้ผู้แฝบแฝบควมร้ายควดีอะไ ร, ะะะไรก็ไปถูผิดตาคอยจับคอยจอมันก็หลงมันจึงปุงไปถ้าไม่หลงมันก็ไม่ไปมันอยู่มันหนักแน่นอันหนักแน่น น, น้นเรียกว่าศีเศษคือปกติไม่ใช่ศีลคืออะไรมันปกติหนักแน่นชิลาศิลานะ ศีลาคือหินชินมาจากคาว่าศิลาันคือก้อนหินอุลลานท่จึงว่าพวกหินดีกว่าพวกนุ่นพวกหินดีกว่าพกนุ่ น, พ ก, น, ก พ, ก น, นพกคือถือหินคือมันหนักแทน้นนุ่นมันเบาปลิวงหายินดียินไา่ ตาเห็นลูกยินดียินไล่หูได้ยินเสียงยินดียินไล่เจ้าหกได้กินเล่นในรถกายสัมผัสย์ไหลขี้ใจมาคิดไหลไปตามอารมณ์เขาจูงไปเขาดึงไปแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นเลยว่นุน่นปิูกตาเห็นไม่ปลูกเรายังฝึกตนสอนตนเราไม่ใช่อยู่คนเดียวในโลกนี่มีพัญญาสามีมีมลกูกมีหลาน ให้มันเย็นด้วยให้มันติดกันด้วยเป็นจงีวิลรอมที่ดีด้วยลูกคนมีสินพ่อแม่เป็นคนมีศินลูกก็มีศินได้สอนมันตั้งแต่อยู่ในขันนนคนโบราณก็สอนลูกตั้งแต่อยู่ในขันน่นตัอแม่ก็เหมือนกัน <c oughs> เวลามีลูกสาวมีขันขึ้นมาไม่ให้ลูกสาวเข้าครัวข่าสั ต, ตว์ติชีวิต ไม่ให้ไปดูหนังดูละครไม่ให้ไปข้าไม่ให้ไปรักสิงรักของอาหารข้าให้ไปวัดไปบารัางถ้วยล่างชามคนโบราณทุกวันนี้เวลามีท่อมี่าไเด้เที่ยวเก่งพาไปกินนนพาไปเที่ยวนี้ดูหนังฟังเพลงนั่งอยู่โทรทีทีวีทั้งวันก็มี แล้วก็ลูกขึ้นบ้าก็ไปกันแล้วไปมันสอนลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ไม่เคยสอนลูกอย่างพระนางสีมหาวิยาเป็นคนเหมือนเราทําไมมีลูกเป็นพระเจ้าเพราะสีมหาวิยาสอนลูกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตั้งแต่ยัง ม, มีลูกเลยนะแล้นางพุทธชิีทําไมได้ลูกเป็นพระพิเศสนดรเพราะมันเตรียมตัว ตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวนอนอันนี้ความเป็นหนุ่มมันเป็นเลยผมมัจจารีบริสุทธิธ์ไว้ทุ่งซ้านไม่ละงวสงวนตัววิสาทละนะชีวิตของเรามีอยู่สี่อาสมอาสมผมมัจจารีตั้งแต่วัยหนึ่งปีถึงยี่สิบปี สาปีสียี่สิบปีเนี่ยผมม่จ่าลีตั้งตน้นชีวิตต้องตั้งตนง้นตัวม่จ่าลีบริสุทธิ์เหมือนต้นไปเราปลูกตั้งต้นดีๆก็มีพุ่มเจริญงอกนะครับแต่เอนยางก็ไม่ค่อยเจริญอ้อสองคัดเลือกี่สาสิบปีทั้งสี่สปีคัดเลือก ก็ตหัดคืออะไรตอนนี้เป็นพ่อคนแม่คนเป็นพ่อคนแม่คนมันก็ถ้าคนดีทั้งแต่เป็นอาสมมุงมาจารีมันก็ได้ดีไปที่ว่าบุญว่าฉลามันฉีดเช็ดไว้แล้วอาสมวันปหลัดโอห้อาสิบปีตั้งหกสิบปีวัดนาปลัด มีลูกมีหลานแล้วมีลูกมีหลานลูกหลานก็เป็นคนดีจนถึงไอสะสมชัญญาสีเจ็ดสิบปดเจดปีแปดสิบปีชัญญาสีบุคคลอันนี้สง์ลูกหลานหลานดีช่วย ดูเลยลักษาให้ถือว่าเป็นบัพุลุตแต่ทุกวันนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีอารมแบบนี้ชีวิตละมันปล่อยปะละเลยทิ้งๆควงๆลูกไม้ ย, ยอมหล่นไม้ไก่ต้นนางคุจดีได้ลูกเป็นพระเวชสันนิะนางสิริมหาวายาได้ลูกเป็นพระพุทธเจ้า แล้วก็ตั้งต้นอย่างนี้ชีวิตของเราไม่ประมาทอย่าป่วยให้หลงให้โกรธให้ทุกข์ให้ผิดศีลผิดธรรมช่วยกัน <c oughs> สร้างชาติสร้างบ้านเมืองของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขมันก็ไม่มีวิธีไดไม่มีต้องมีสตกาอาวุธอะไรถ้าเรามีสติมี ความรักความชั่วทําความดีอยู่นี้ก็ต้องไม่มคุกไม่มีตรางไม่มีจริงๆคุกตะรางมันลู่สร้างไปขครใส่ให้ ใ, หใครเราก็ระวังอยู่แล้วไม่มีทุกข์มีโทษต่อตัวเองและคนอื่นเด็ดขาดหนึ่งเราจะต้องไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นเด็ดขาด <c oughs> ล เ, นนเลยเทีเดียวเดี๋ยวนี้แ่้แต่คิดก็ไม่กล้าคิดเดี๋ยวนี้ คับได้เดี๋ยวนี้ไม่มีการหรอรอไม่ได้ไม่บีบเบียนตัวเองเนี่ยจิงได้ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นี่ไม่ทาเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามรูปทำนามทำไม่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วยเด็ดขาดเลยทีเดียวไม่บีบเบียนใครในโลกนี้ไม่ใช่จะคนเดียว อะไรทุกอย่างดินว่าอากาศแม่น้าผู้เขามาไม้แผ็นดินทำอะไรก็ไม่เดือดร้อนหลวตาเคยพูดอยู่เสมอว่าแม่แต่จับสายอย่างลดล่ามต้นไม้ไม่ค่อยวางทิ้งให้มันพับๆมันมันเบียดเบียนแร่ธาตุมันจะไม่ทนทานถึงไปยาวๆเราเราไปม่วนไว้เวลาดึงออกหน้าหนาวมันจะหักแตกค่ะ ต่ใช่ดีดทนทานใยผ้าชีวรนเนี่ยสักแล้วอย่าไปบีดมันสักแล้วเอาไปพาดบนเหลาให้มันน้ามาไหลออก <c oughs> <c oughs> งั้นจะาทนทานชุดเดิงเรามีผ้าสองผืนใช้ได้อย่างน้อยต้องสี่ปีไม่ต้องมีหลายชุดหมันยากเป็นยุงใช้ได้ นี่คือก็อพยายามใช้ชีวิตให้ถูกต้องอย่าพุ่มพวยกันไปความรักเอาความเกลียดก็เอาความสุขความทุกข์ออกหมดก็พอใจไม่พอใจมันผิดให้มันเฉพาะใช่ให้ถูกต้องปฏิบั ต, ติตรงมันหลงตรงตัวความรู้เปลี่ยนหลงไปไม่หลงตรงเปลี่ยนทุกข์ไปไม่ทุกข์ตรง มีปัญญาในขณะที่มีปัญหาตรงนะะสอนตัวเองเนี่ยมันสอนได้ชีวิตเราเด้คนอื่นสอนก็ไม่ทำให้เป็นแต่เราสอนเรามันทำได้สอนให้ลูกมันสอนกันได้สอนให้เป็นเนี่เราต้องสอนตัวเองคนอื่นสอนให้ได้ไปได้แะ่เรามีจติเอาให้กันวไ้ได้ปฏิบัติ ด, ด้วยตนเอง ใช้ก็ช่วยกันไม่ได้ให้ทำเอาเองจึงมีสถานที่แบบนี้เพื่อท้าทายในการที่พระศาสนาให้มันจบมันจบได้ความหลงครั้งสุดท้ายความโกรธครั้งสุดท้ายความทุกข์ครั้งสุดท้ายทําไมต้องมีมันต่อไปมันดีอะไรหรือถ้าแต่กูได้โกรธตายไม่ลืม ก็โก้ได้โกรธตายไม่ลืมไม่ลืมยี่กี่คนนะตายก็ไม่ลืมเลยไอแต่พ่อแม่ถ้าลูกเต้าโกรธพ่อกับแม่ตายก็ไม่ไปดูเลยบ้านนั่นก็มีนะมันดีหรือความโกรธความทุกข์นันไอแต่โทษแต่ใมันคมีเมตตาก็น่าตอกกันแล้วไอหลวงตาจะไปเท่ามาไปชั่หน่อย มีรถไหนหนึ่งใบเั็กหน่อยนะเท่านี้นะกราบพระส่งกัน